วันนี้เป็นวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้ฉันจะหันเจ็ดประมาณ9ก้นาฬิกาเลีเ้าโมงครึ่ง ต, ตอนเช้าจะมีการประชุมนะคณะสัทธ า, าติโยมพระเนรองไหนที่เกี่ยวข้องพระที่เกี่ยวข้องสัายาติโยมที่เกี่ยวข้องในการประชุมก็คัดสรรการเข้าไปไประชุมหารือ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 ตาบางแห่งเขาว่าเลยเนียงพเนียงไถให้เขาก็เรียกนะนั่นแหละคนศรีทวีนะ่ะหน้าตาไม่เหมือนกันหน้าตาเหมือนผ่านไถหน้าตาเหมือนใบโพหน้าตาเหมือนพัดจันหน้าตาเหมือนลิงเหมือนบอกเหมือนปชุมภูทวีปลนะ่าเนหลวงพระพุทธเจ้าท่านเสด็จขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงะท่านลงไปบินเบาต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 ประกาศเพียงแค่นี้ยังไม่พอแต่แกได้เศรษฐีนะั้นไปได้ไม้จันท์ที่มันไหลมาจากแม่น้ําไม้จันแดงเป็นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาอย่างมากในยุคสมัยนั้นอาคงจะเป็นไม้พิเศษเป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มไม้จันแดงมาเขาก็เลยมาควานทําให้เป็นบาดพอเป็นบาดเสร็จแล้วก็กเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่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 ในจักรวาลนี่เศรษฐีเขาประกาศนะทีนี้ก็ครูทั้งหกครูทั้งหกจะขึ้นไปทําท่าจะแสดงฤทธิ์คำท่าจะเหาะขึ้นไปเอาทางลูกน้องก็ดึงขาเอาไว้ยะยะอาจารยา์เพียงบาทเท่านั้นอย่ายไปหาแสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ใจไม่ไดไม่ได้เรื่ออข้าจะแสดงแสดงเรื่องใหญ่กว่านี้ แตท่ทั้งที่ตัวเองแสดงไม่ได้นะงนั้นคนในยุคเก่าก็ไม่ใช่ธรรมดาในะลูกพ่อว่านะไอ้ชั้นเชิงเล่เหลี่ยมโกหกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพออาจารย์จะทำท่าจะกระโดดขึ้นไปวะนะไอ้ลูกน้องก็ดึงขาวะยายา ย, ยาจายาจายาไปทำละของเล็กน้อยเพียงแค่นี้เสียเสียศักดิ์ศรีมันไม่เหมาะสมถ้าเอาต้องเอาใหญ่กว่า น, นี้ถ้าจะแสดงฤทธิ์นะทั้งที่ตัวเองแสดงไม่ได้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 อันนี้จากนั้นพระองค์ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ต่นแสดงอิทธิฤทธิ์จนคนทั้งหลายมอดูมีมากมา ย, ายหลายหลายอย่างพระพุทธเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์ท่อน้ำเพเพ่ง ท, ท, ท่อน้ำท่อไฟเพ่งแสงสว่างอะไรมนุษย์ทั้งหลายในยุคในคราวนั้นคนที่เห็นโอ้โหขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิน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 นั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทองค์ก็จำลองพระองค์เนรมิตรพระองค์เป็นพระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปเน่ยเทศเทศเทศเทศนาว่าการเทวดาทั้งหลายประนมมือนั่งฟังพระบิดาพระมารดาของพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งนั่งฟังอยู่ด้วยนี่แหละพระองค์แสดงอยู่สามเดือนไม่ขยับกระยื่นเลยเพราะว่าเทวดาเนี่ยอายุของเทวดาเนี่ย ร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งชั้นชั้นต่ำาลชั้นดาวดึงแล้วก็ชั้์ชั้นดาวดึ ง, ดงร้อยปีในในดาวดึงชั้นกับชั้นยามาดุสดาวดึงนี่แหละมันเรียงเรียงกันไปแสดงว่าเขานั่งสามเดือนเพียงแป๊บเดียวท่านเอง เ, ออเวลามันน้อยเดียวแต่นี้พระองค์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 เนี่อยนั้นอานาซาทุกวันนี้เขายังหาไม่เจออยู่สี่ทวีปเป็นอยู่ที่ไหนวะเออแต่พระพุทธเจ้าธรรมมีสี่ทวีปนะั้นลูกหลานนะเออมีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวานนะคงจะเป็นดวงดาวเต็มไปหมดในท้องฟ้านะี่ยบริวานของทวีปสี่ทวีปนั้นนะสมภูทวีปหนะึ่งเป็นทวีปหนึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งเอ่อจากนั้นก็มีดาวอีกหลายหลายดวงที่เรามองขึ้นไปในท้องฟ้านะั่นแหะ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 เป็นวันตักปาฏเทโวเป็นวันลํำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาปโปรดพระมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจะเด็จลงมาวันพรุ่งนี้อดีต พ, พวกเราก็มหาใตรบาทวัดต่างๆเขาจึงทำเป็นเรื่องเป็นราวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีอีกเหมือนกันนะทาสื่อต่างๆเขาคงจะมีอยู่แต่พวกเราได้ทําแบบง่าย ส่งตักบาตรครูบาอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยแหละเพื่อลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลำเลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้ปีอุปการะคุณทั้งหลายอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนอพี่น้องจัทธายาติโยมหลวงพ่อด้เล่าเล่าให้ฟังนานๆหลวงพ่อจะได้เล่าความเป็นมาของจำพรรษา